พระภาคตรัสตอบว่านันทะสมณพราหมางพวกย่อมกล่าวความหมดจดเพราะรูปที่ได้เห็นบ้างเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างย่อมกล่าวความหมดจดเพราะศีลวัดบ้างย่อมกล่าวความหมดจดเพราะพิธีหลากหลายบ้างสมณพราหม์พวกนั้นแม้ประพฤติตนเคร่งครัดอยู่ในหลักการของตนนั้นก็จริงแต่เรากล่าวว่าพวกเขายังข้ามชาติและชราไปไม่ได้ คำว่าบางพวกในคำว่าสมณพราหมณ์บางพวกได้แก่ทุกสิ่งโดยอาการทั้งหมดทุกอย่างไม่เหลือไม่มีส่วนเหลือโดยประการทั้งปวงคำว่าบางพวกนี้เป็นคำกล่าวรวมๆไว้ทั้งหมดคำว่าสมณะได้แก่นักบวชพวกใดพวกหนึ่งซึ่งเข้าถึงการบวชเป็นปริภาชกถึงการบวชเป็นปริภาชกภายนอกจากธรรมวินัยนี้ คำว่าพราหมณ์ได้แก่คนเหล่าใดเหล่าหนึ่งผู้กล่าวอ้างว่าตนเจริญบางพวกรวมความว่าสมณะพราหมณ์บางพวกคำว่านันทะในคําว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่านันทะเป็นคําที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียพราหมณ์นั้นโดยชื่อคําว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคํากล่าวโดยความเคารพ คำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจจิ้าบัญญัติรวมความว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่านันทะคำว่าย่อมกล่าวความหมดจดเพราะรูปที่ได้เห็นบ้างเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างอธิบายว่าย่อมกล่าวคือย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ได้แก่ความหลุดไปความพ้นไป ความหล er ุดพ้นไปเพราะรูปที่ได้เห็นบ้างย่อมกล่าวคือย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างย่อมกล่าวคือย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไป ความหลุดพ้นไปเพราะรูปที่ได้เห็นบ้างและเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างรวมความว่าย claro. ่อมกล่าวความหมดจดเพราะรูปที่ได้เห็นบ้างเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างคําว่าย่อมกล่าวความหมดจดเพราะสีลวัตบ้างอธิบายว่าย่อมกล่าวคือย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ได้แก่ความหลุดไปความพ้นไป ความหลุดพ้นไปย่อมกล่าวคือย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะศีลบ้างย่อมกล่าวคือย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะวัดบ้าง ย่อมกล่าวคือย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะศีลวัดบ้างรวมความว่าย่อมกล่าวความหมดจดเพราะศีลวัดบ้างคำว่าย่อมกล่าวความหมดจดเพราะพิธีหลากหลายบ้างอธิบายว่าย่อมกล่าวคือย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจด คือความสะอาดความบริสุทธิ์ได้แก่ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะพิธีหลากหลายบ้างรวมความว่าย่อมกล่าวความหมดจดเพราะพิธีหลากหลายบ้างคําว่าแม้ก็จริงในคําว่าชมณพราหมณ์พวกนั้นแม้ประพฤติตนเครื่งพลัดอยู่ในหลักการของตนนั้นก็จริงเป็นบทสนทิเป็นคําเชื่อมบททําบทให้บริบูรณ์ เป็นความสัมพันธ์แห่งอักษรเป็นความสงะาสลวยแห่งพยัญชนะคำว่าแม้ก็จริงนี้เป็นคำเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกันคำว่าพวกนั้นได้แก่สมณพราหมณ์ผู้ถือทิฏฐิอยู่คาว่าในนั้นได้แก่ในหลักการของตนคือในความถูกใจความพอใจในลัทธิของตนคำว่าเคร่งครัด ได้แก่ระวังระมัดระวังคุ้มครองปกปกักรักษาสังวรแล้วคำว่าประพฤติได้แก่ประพฤติคืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปรวมความว่าสมณพราหมณ์ผู้พวกนั้นแม้ประพฤติเคลื่งคลัดอยู่ในหลักการของตนนั้นก็จริงคำว่า แต่เรากล่าวว่าพวกเขายังข้ามชาติและชราไปไม่ได้อธิบายว่าเรากล่าวคือบอกแสดงบัญญัติกําหนดเปิดเผยจำแนกทําให้ง่ายประกาศว่าสมณพราหมณ์พวกนั้นข้ามไม่ได้คือข้ามไปไม่ไ ด, ขไได้ข้ามพ้นไม่ได้เก้าวล่วงไม่ได้ล่วงเลยชาติชราและมรณะไปไม่ได้ได้แก่ออกจากชาติชราและมรณะไม่ได้ เพอสลัดออกไม่ได้ก้าพ้นไม่ได้ก้าล่วงไม่ได้ล่วงเลยจากชาติชราและมรณะไม่ได้ได้แก่หมุนเวียนอยู่ภายในชาติชราและมรณะหมุนเวียนอยู่ภายในทางแห่งสงสารไปตามชาติถูกชราติดตามถูกพญาทิครอบงำมรณะย่ำยีไม่มีที่ปกป้องไม่มีที่เหลีกเรน้นไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยรวมความว่า สมณพราหมณ์พวกนั้นแม้ประพฤติตนเคร่งครัดอยู่ในหลักการของตนนั้นก็จริงด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่านันทะสมณพราหมณ์บางพวกพย่อมกล่าวความหมดจดเพราะรูปที่ได้เห็นบ้างเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างย่อมกล่าวความหมดจดเพราะศิลวัตบ้างย่อมกล่าวความหมดจดเพราะพิธีหลากหลายบ้างสมณพราหมณ์พวกนั้น แม้ประพฤตตนเคร่งคลัดอยู่ในหลักการของตนนั้นก็จริงแต่เรากล่าวว่าพวกเขายังข้ามชาติและชราไปไม่ได้ท่านนันทาทูลถามดังนี้สมณพราหมณ์บางพวกย่อมกล่าวความหมดจดเพราะรูปที่ได้เห็นบ้าง เพราะเสียงที่ได้ยินบ้างย่อมกล่าวความหมดจดเพราะศิลวัดบ้างย่อมกล่าวความหมดจดเพราะพิธีหลากหลายบ้างหากพระองค์ผู้เป็นพระมุนีตรัสว่าสมณพราหม์พวกนั้นยังข้ามหุ่งกิเลสไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เมื่อเป็นเช่นนั้นใครเล่าในเทวโลกและมนุษเสโลกชื่อว่าข้ามชาติและชราไปได้ข้าแต่พระผู้มีพระภาค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 คำว่าดังนี้ในคําว่าท่านนันทาทูลถามดังนี้เป็นบทสนทิคําว่าท่านเป็นคํากล่าวด้วยความรักคําว่านันทะเป็นชื่อของพราหมณ์นั้นชื่อเรียกเฉพาะรวมความว่าท่านนันทาทูลถามดังนี้คําว่าย่อมกล่าวความหมดจดเพราะรูปที่ได้เห็นบ้างเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างอธิบายว่าย่อมกล่าวคือย่อมพูดบอก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 ย่อมกล่าวคือย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะรูปที่ได้เห็นบ้างเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างรวมความว่าย่อมกล่าวความหมดจดเพราะรูปที่ได้เห็นบ้างเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างคาว่าย่อมกล่าวถึงความหมดจดเพราะศิลวดบ้างอธิบายว่า ย่อมกล่าวคือย <In horizon, S 1> ่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ได้แก่ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะศีลบ้างเพราะวัดบ้างย่อมกล่าวย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะศีลวัดบ้างรวมความว่า ย่อมกล่าวถึงความหมดจดเพราะศีลวัดบ้างคำว่าย่อมกล่าวความหมดจดเพราะพิธีหลากหลายบ้างอธิบายว่าย่อมกล่าวคือย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะพิธีหลากหลายบ้างรวมความว่าย่อมกล่าวความหมดจดเพราะพิธีหลากหลายบ้าง คำว่าหากสมณพราหมณ์พวกนั้นในคําว่าหากพระองค์ผู้เป็นพระมุนีตรัสว่าสมณพราหมูพวกนั้นยังข้ามหุ่งกิเลสไม่ได้ได้แก่สมณพราหมู้ถือทิฏฐิคําว่าพระองค์ผู้เป็นพระมุนีอธิบายว่ายานท่านเรียกว่าโมนะพระองค์ก้าวล่วงกิเลสเครื่องคล้องและตันหาดุจตาขายได้แล้วชื่อว่าพระมุนี คำว่าตรัสว่าสมณพราหมูพวกนั้นว่ายังข้ามพ่วงกิเลสไม่ได้อธิบายว่าสมณพราหมณ์พวกนั้นข้ามไม่ได้เคือข้ามขึ้นไม่ได้ข้ามพ้นไม่ได้ก้าล่วงไม่ได้ก้าพ้นไม่ได้ล่วงเลยกามโมคะพโวคะทิโตคะอวิโชคะไม่ได้ได้แก่หมุนเวียนอยู่ภายในชาติชราและมรณะหมุนเวียนอยู่ภายในทางแห่งสงสาร ไปตามชาติถูกชราติดตามถูกพญาธิครอบงำมรณะย่ำยีไม่มีที่ปกป้องไม่มีที่หลีเกเร้นไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาใยคำว่าตรัสได้แก่ตรัสคือบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศรวมความว่าหากพระองค์ผู้เป็นพระมุนีตรัสว่า จมมะณพราหมพวกนั้นยังข้ามพ่วงกิเลสไม่ได้คำว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เมื่อเป็นเช่นนั้นใครเล่าในเทวโลกและมนุสสิโลกชื่อว่าข้ามชาติและชราไปได้อธิบายว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นใครกันเล่าในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งจัมมะณพราหมพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์จึงข้าม อข้ามไปข้ามพ ah, ้นก้าวล่วงล่วงเลยชาติชราและมรณะไปได้คำว่าค่าแต่พระองค์ผู้นิรุกข์เป็นคำกล่าวด้วยความรักเป็นคำกล่าวด้วยความเคารพคำว่าค่าแต่พระองค์ผู้นิรุกข์นี้เป็นคำกล่าวที่มีความเคารพและความยำเกรงรวมความว่าค่าแต่พระองค์ผู้นิรุกข์เมื่อเป็นเช่นนั้น ใครเล่าในเทวลโลกและมนุษยโลกชื่อว่าข้ามชาติและชราไปได้คำว่าข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นในคําคำว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดอธิบายว่าข้าพระองค์ขอทูลถามคือทูลขอทูลอัญเชิญ ทูให้ทรงประกาศปัญหานั้นว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดรวมความว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคำกล่าวโดยความเคารพคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจจคาบัญญัติ คำว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดอธิบายว่าขอพระองค์โปรดตรัสคือโปรดบอกแสดงบัญญัติกําหนดเปิดเผยแจ่มแน่ทําให้ง่ายประกาศรวมความว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดด้วยเหตุนั้น พราหมณ์นั้นจึงกราบทูลว่าท่านนันทะทูลถามดังนี้สมณพราหมณ์บางพวกย่อมกล่าวความหมดจดเพราะรูปที่ได้เห็นบ้างเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างย่อมกล่าวความหมดจดเพราะศิลวัตบ้างย่อมกล่าวความหมดจดเพราะพิธีหลากหลายบ้างหากพระองค์ผู้เป็นพระมุนีตรัสว่าสมณพราหมณ์พวกนั้นยังข้ามห้วงกิเลสไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เมื่อเป็นเช่นนั้น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 มีพระภาคตรัสตอบว่านันทะเราไม่กล่าวว่าสมณพราหม์ทั้งหมดถูกชาติและชราโอบล้อมนรชนเหล่าใดในโลกนี้และรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ได้รับรู้หรือศิลวัดได้ทั้งหมดทั้งละพิธีหลากหลายทั้งปวงกาหนดรู้ตัณหาได้แล้วเป็นผู้หมดอาสวะเรากล่าวว่านรชนเหล่านั้นแล ชื่อว่าเป็นผู้ข้ามห่วงกิเลสได้แล้วคําว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่านันทะเราไม่กล่าวว่าสมณพราหมณ์ทั้งหมดถูกชาติและชราโอบล้อมอธิบายว่านันทะเราไม่กล่าวว่าสมณพราหมณ์ทั้งหมดถูกชาติและชราหุ้มห่อไว้โอบล้อมเือห้อมล้อมครอบคลุมปกคลุมบดบังไว้แล้วเรากล่าวคือบอก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 สมณพราหม์ทั้งหมดถูกชาตและชราโอบล้อมคำว่านรชนเหล่าใดในโลกนี้และรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ได้รับรู้หรือศิลวัตได้ทั้งหมดอธิบายว่านรชนเหล่าใดและคือสละละทิง้งบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความหมดจดแห่งรูปที่ได้เห็นทุกอย่าง และความหมดจดแห่งเสียงที่ได้ยินทุกอย่างความหมดจดแห่งอารมณ์ที่ได้รับรู้ทุกอย่างความหมดจดแห่งรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินและอารมณ์ที่ได้รับรู้ทุกอย่างความหมดจดแห่งศีลทุกอย่างความหมดจดแห่งวาททุกอย่างนรชนใดละคือสละละทิ้งบรรเทาทําให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความหมดจดแห่งศีลวละวาทุกอย่าง รวมความว่านอรชนเหล่าใดในโลกนี้ละรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ได้รับรู้หรือสิลิวัตได้ทั้งหมดคำว่าทั้งละพิธีหลากหลายทั้งปวงอธิบายว่าละคือจะละละทิ้งบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไป ความหลุดพ้นไปเพราะมงคลที่เล่าเลือกันหลากหลายรูปแบบรวมความว่าทั้งละพิธีหลากหลายทั้งปวงคําว่าตันหาในคําว่าเนรชนเหล่าใดกําหนดรู้ตันหาได้แล้วเป็นผู้หมดอาสวะเรากล่าวว่าเนรชนเหล่านั้นแลชื่อว่าเป็นผู้ข้ามห่วงกิเลสได้แล้วได้แก่รูปตันหาสัทตันหาคันธตันหา รสะตัญหาโพธะพตัญหาธ ร, รมมะตัญหาว่าด้วยปริญญาสาคำว่ากำหนดรู้ตัญหาได้แล้วอธิบายว่ากำหนดรู้ตัญหาด้วยปริญญาสาคือ 1. ญาตะปริญญาการกำหนดรู้ขั้นรู้จัก 2. ตีระณะปริญญาการกำหนดรู้ขั้นพิจารณา 3. ปหานะปริญญา การกำหนดรู้ขั้นละญาตะปริญญาเป็นอย่างไรคือณปรากํำหนดรู้ตัณหาคือรู้เห็นว่านี้รูปตัณหานี้สัทธตัณหานี้คันทตัณหานี้ระสศตัณหานี้โพธภะตัณหานี้ธรรมตัณหานี้ชื่อว่าญาตะปริญญาตีระนาปริญญาเป็นอย่างไร คือนักปราดทำสิ่งที่รู้แล้วให้ปรากฏอย่างนี้แล้วพิจารณาตัณหาเพือพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดุดหัวฝีเป็นของที่ต้องสลัดออกไปนี้ชื่อว่าติรณะปริญญาปหาณปริญญาเป็นอย่างไรคือนักปราดครั้นพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วย่อมละบรรเทาทําทให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีตัณหาอีก สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในตัณหาเสียตัณหานั้นเธอทั้งหลายละได้เด็ดขาดแล้วจากถูกตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้นี้ชื่อว่าปหาณปริญญา คำว่ากําหนดรู้ตันหาได้แล้วได้แก่กําหนดรู้ตันหาด้วยปริญญาสามอย่างเหล่านี้ว่าด้วยอาสวะสี่คำว่าเป็นผู้หมดอาสวะได้แก่อาสวะสี่อย่างคือหนึ่งกามาสวะอาสวะคือกามสองพวาสวะอาสวะคือพบสทิฏฐาสวะอาสวะคือทิฏฐิสี่อวิชชสวะ อาสวะคืออวิชาอาสวะเหล่านี้นรชนเหล่าใดละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้นรชนเหล่านั้นตรัสเรียกว่าเป็นผู้หมดอาสวะได้แก่พระอรหันตขีนาศคำว่านรชนเหล่าใดกําหนดรู้ตัณหาได้แล้ว เป็นผู้หมดอาสวะเรากล่าวว่านรชนเหล่านั้นแลชื่อว่าเป็นผู้ข้ามห่วงกิเลสได้แล้วอธิบายว่านรชนเหล่าใดกําหนดรู้ตัณหาได้แล้วเป็นผู้หมดอาสวะเรากล่าวคือบอกแสดงบัญญัติกําหนดเปิดเผยจำแนกทําให้ง่ายประกาศว่านรชนเหล่านั้นข้ามคือข้ามขึ้นข้ามพ้นก้าวล่วง ก้าพ้นล่วงพ้นกาโมคะพระโวคะทิโถโคะอวิโชคะทางแห่งสงสารทุกอย่างได้แล้วรวมความว่านรชนเหล่าใดกำหนดรู้ตัณหาได้แล้วเป็นผู้หมดอาสวะเรากล่าวว่านรชนเหล่านั้นแลชื่อว่าเป็นผู้ข้ามหวงกิเล ệ ได้แล้วด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า นันทะเราไม่กล่าวว่าสมณพราหมณ์ทั้งหมดถูกชาติและชราโอบล้อมนรชนเหล่าใดในโลกนี้และรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ได้รับรู้หรือศิลวัตได้ทั้งหมดทั้งละพิธีหลากหลายทั้งปวงกำหนดรู้ตันหาได้แล้วเป็นผู้หมดอาสวะเรากล่าวว่านรชนเหล่านั้นแหลชื่อว่าเป็นผู้ข้าม่วงกิเลสได้แล้ว ถ้ากราบทูลว่าข้าพระองค์ชอบใจพระดำรันนี้ของพระองค์ผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าแต่พระโคโดมทำที่ปราศจากอุปธิพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วนรชนเหล่าใดในโลกนี้และรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ได้รับรู้หรือสิลวัตได้ทั้งหมดทั้งละพิธีหลากหลายทั้งปวงกำหนดรู้ตันหาได้แล้วเป็นผู้หมดอาสวะ แม้ข้าพระองค์ก็กล่าวว่านรชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ข้ามห่วงกิเลสได้แล้วคำว่านี้ในคำว่าข้าพระองค์ชอบใจพระํำรตนี้ของพระองค์ผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่อธิบายว่าข้าพระองค์พอใจชอบใจคือเบิกบานใจอนุโมทนาต้องการยินดีทูลขอปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังพระดารั คือคำที่เป็นแนวทางเทศนาคำสั่งสอนคำพร่ำสอนนี้คำว่าพระองค์ผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่อธิบายว่าพระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่อย่างไรพระผู้มีพระภาคทรงสแสวงหาพ้นหาเสาะหาศีลขันธ์อันยิ่งใหญ่จึงชื่อว่าทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ พระผู้ทรงเป็นเทพยิ่งกว่าเทพประทับอยู่ที่ไหนพระผู้ทรงองอาจกว่านรชนประทับอยู่ที่ไหนจึงชื่อว่าพระองค์ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่รวมความว่าข้าพระองค์ชอบใจพระดำรันนี้ของพระองค์ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คาว่าตรัสไว้ดีแล้วในคาว่าข้าแต่พระโคดมทำที่ปราศจากอุปธิพระองค์ตรัสไว้ดีแล้ว อธิบายว่าตรัสไว้ดีแล้วคือตรัสบอกไว้ดีแล้วแสดงไว้ดีแล้วบัญญัติไว้ดีแล้วกาหนดไว้ดีแล้วเปิดเผยไว้ดีแล้วจําแนกไว้ดีแล้วทำให้ง่ายดีแล้วประกาศไว้ดีแล้วคําว่าค่าแต่พระโคดมทาที่ปราศจากอุปธิอธิบายว่าจิเล ข, ขันและอภิสังขารตรัสเรียกว่าอุปธิ การละอุปธิความเข้าไปสงบอุปธิความสละทิ้งอุปธิความสงบระ ง, งับอุปธิชื่อว่าธรรมตะนิพพานรวมความว่าข้าแต่พระโคดมทำที่ปราศจากอุปธิพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วคําว่านรชนเหล่าใดในโลกนี้และรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ได้รับรู้หรือศิรวัตได้ทั้งหมดอธิบายว่า นรชนเหล่าใดละคือสละละทิ้งบันเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความหมดจดแห่งรูปที่ได้เห็นทุกอย่างได้แก่ละคือสละละทิ้งบันเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความหมดจดแห่งเสียงที่ได้ยินทุกอย่างความหมดจดแห่งอารมณ์ที่ได้รับรู้ทุกอย่างความหมดจดแห่งรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยิน และอารมณ์ที่ได้รับรู้ความหมดจบแห่งศีลทุกอย่างความหมดจบแห่งวัฏทุกอย่างและคือสละละทิ้งบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความหมดจบแห่งศิลวัฏทุกอย่างรวมความว่านรชนเหล่าใดในโลกนี้และรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ได้รับรู้หรือศิลวัตได้ทั้งหมดคาว่า ทั้งละพิธีหลากหลายทั้งปวงอธิบายว่าละคือจะละละทิ้งบรรเทาทําทให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะมงคลที่เล่าหรือกันหลากหลายรูปแบบรวมความว่าทั้งละพิธีหลากหลายทั้งปวงคําว่านรชนเหล่าใด กำหนดรู้ตัญหาได้แล้วเป็นผู้หมดอาจวะแม้ข้าพระองค์ก็กล่าวว่านรชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ข้ามห่วงกิเลสได้แล้วอธิบายว่าคำว่าตันหาได้แก่รูปตัญหาสัทตันหาคั น, นตันหารสตันหาโพธิภะตัญหาธรรมตัญหาว่าด้วยปริญญาสาม คำว่ากําหนดรู้ตัณหาได้แล้วได้แก่กาหนดรู้ตัณหาด้วยปริญญาสามคือหนึ่งญาตปริญญาสองติรณปริญญาสามปหาณะปริญญ า, า ญ, ญ า, าตะปริญญาเป็นอย่างไรคือนักปรากําหนดรู้ตัณหาคือรู้เห็นว่านี้รูปตัณหาน้สัธตัญหานี้ขันทตัณหานิระสะตัณหานิโพธิภะตัณหา น้ธรรมตัณหานี้ชื่อว่ายาตะปริญญาตีรณปริญญาเป็นอย่างไรคือนักปราบทําสิ่งที่รู้แล้วให้ปรากฏอย่างนี้แล้วพิจารณาตัณหาคือพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดุดหัวฝีเป็นดุดลูกสอนเป็นของลาบากเป็นอาพาธเป็นอย่างอื่นเป็นของสุดโทมเป็นเสนียดเป็นอุปัถว เป็นภัยเป็นอุปสรรคเป็นของหวั่นไหวเป็นของผุพังเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของไม่มีที่ต้านทานเป็นของไม่มีที่เหลี่เรนเป็นของไม่มีที่พึ่งเป็นของไม่มีที่อาศัยเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของศูนย์เป็นอนัตตาเป็นของมีโทษเป็นของแปรผันไปเป็นธรรมดาเป็นของไม่มีแก่นสารเป็นเหตุแห่งความลาบาก เป็นดุจเพชฌฆาตเป็นของปราศจากความเจริญเป็นของมีอาสวะเป็นของที่ถูกเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นเหยื่อแห่งมารมีชาติเป็นธรรมดามีชราเป็นธรรมดามีพยาธิเป็นธรรมดามีมรณะเป็นธรรมดามีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปาญาตเป็นธรรมดามีความเศร้ามองเป็นธรรมดาเป็นเหตุเกิดทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้ หาความแช่มชื่นไม่ได้เป็นโทษเป็นของที่ต้องสลัดออกไปนิชื่อว่าตีรณะปริญญาปหานะปริญญาเป็นอย่างไรคือนักปราชครั้นพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วย่อมละบันเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีตันหาอีกนิชื่อว่าปหาณะปริญญาคำว่ากำหนดรู้ตันหาได้แล้วได้แก่ กำหนดรู้ตัณหานั้นด้วยปริญญาสามอย่างเหล่านี้ว่าด้วยอาสะวะสี่คำว่าเป็นผู้หมดอาสะวะได้แก่อาสะวะสี่อย่างคือหนึ่งกามาสะวะ2ภพวาสะวะสทิฏฐาสะวะ4ี่อวิชชาสะวะอาสะวะเหล่านี้นรชนเหล่าใดละได้เด็ดขาดแล้ว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 เป็นผู้ข้ามห่วงกิเลสได้แล้วอธิบายว่านรชนเหล่าใดกำหนดรู้ตัณหาแล้วเป็นผู้หมดอสวะเรากล่าวคือบอกว่านรชนเหล่านั้นข้ามคือข้ามขึ้นข้ามพน้นก้าวล่วงก้าวพน้นล่วงพ้นกามโมคะพโวคะทิถโถคะอวิชโชคะทางแห่งสงสารทุกอย่างได้แล้วรวมความว่า นรชนเหล่าใดกําหนดรู้ตันหาแล้วเป็นผู้หมดอาสวะเรากล่าวว่านรชนเหล่านั้นแลชื่อว่าเป็นผู้ข้ามพ่วงกิเลสได้แล้วด้วยเหตุนั้นพรามนั้นจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ชอบใจพระดำรัสนี้ของพระองค์ผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าแต่พระโพดมทำที่ปราศจากอุปธิพระองค์ตรัสไว้ดีแล้ว นรชนเหล่าใดในโลกนี้ละรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ได้รับรู้หรือศิรวัตได้ทั้งหมดทั้งละพิธีหลากหลายทั้งปวงกาหนดรู้ตัณหาได้แล้วเป็นผู้หมดอาสวะแม้ข้าพระองค์ก็กล่าวว่านรชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ข้ามพ่วงกิเลสได้แล้วพร้อมกับการจบคาถานันทมานกโดยประกาศว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกนั่นถ้ามานวะปัญหานิเทศที่ 8. เจ็ดจบแปดเฮมะกะมานวะปัญหานิเทศ ว่าด้วยปัญหาของเหมมะกะมานกท่านเหมมะกะทูลถามดังนี้ก่อนแต่ศาสนาของพระโคดมอาจารย์เจ้าลทัทธิเหล่าใดเคยพยากรณ์แก่ข้าพระองค์ว่าเหตุนี้ได้เป็นมาแล้วอย่างนี้จักเป็นอย่างนี้คำพยากรณ์ทั้งหมดนั้นเป็นคำที่เชื่อสืบต่อกันมาคำพยากรณ์ทั้งหมดนั้นมีแต่จะทำให้ตรึกไปต่างๆ ข้าพระองค์จึงไม่ยินดีในคำพยากรณ์นั้นคำว่าอาจารย์เจ้าลัทธิเหล่าใดในคำว่าก่อนอาจารย์เจ้าลัทธิเหล่าใดเคยพยากรณ์แก่ข้าพระองค์อธิบายว่าพรามภาวรีและอาจารย์คนอื่นๆของพรามพาวรีเคยพยากรณ์คือเคยบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประการหลักการของตน ความถูกใจความพอใจลทัทธิอัธยาศัยความประสงค์ของตนรวมความว่าก่อนอาจารย์เจ้าลัทธิเหล่าใดเคยพยากรแก่ข้าพระองค์คําว่าดังนี้ในคําว่าท่านเหนมกะทูลถามดังนี้เป็นบทสนทิคําว่าดังนี้นี้เป็นคําเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกันคําว่าท่านเป็นคํากล่าวด้วยความรัก เป็นคำกล่าวโดยความเคารพคำว่าท่านนี้เป็นคำกล่าวที่มีความเคารพและความยำเกรงคำว่าเหมมกะเป็นชื่อของพร์นั้นชื่อเรียกเฉพาะคำว่าแต่าศาสนาของพระโคดมอธิบายว่าแต่าศาสนาของพระโคดมคืออื่นจากาศาสนาของพระโคดมก่อนาศาสนาของพระโคดมก่อนกว่ า, าศาสนาของพระโคดมได้แก่ ก่อนกว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าศาสนาของพระชินเจ้าศาสนาของพระตถาคตศาสนาของพระอรหันต์รวมความว่าแต่ศาสนาของพระโคดมคําว่าเหตุนี้ได้เป็นมาแล้วอย่างนี้จากเป็นอย่างนี้อธิบายว่าเล่ากันว่าเหตุนี้ได้เป็นมาแล้วอย่างนี้เหตุนี้จากเป็นอย่างนี้รวมความว่า เหตุนี้ได้เป็นมาแล้วอย่างนี้จากเป็นอย่างนี้คำว่าคำพยากรณ์ทั้งหมดนั้นเป็นคำที่เชื่อสืบต่อกันมาอธิบายว่าคำพยากรณ์ทั้งหมดนั้นเป็นคำที่เชื่อสืบต่อกันมาคืออาจารย์เหล่านั้นกล่าวทำที่ตนไม่รู้ด้วยตนเองทำที่ไม่ได้ประจักษ์แก่ตนเองโดยการเชื่อผู้อื่นว่าทำนี้เป็นดังนี้ดังนี้โดยการเล่าลือ โดยการถือสืบสืบขึ้นมาโดยการอ้างตำราโดยตักกะโดยการอนุมานโดยการคิดตรองตามแนวเหตุผลโดยเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิษ์ไว้แล้วรวมความว่าคำพยากรนะทั้งหมดนั้นเป็นคำที่เชื่อสืบต่อกันมาคำว่าคำพยากรนะทั้งหมดนั้นมีแต่จะทำให้ตรึกไปต่างๆอธิบายว่าคำพยากรนทั้งหมดนั้น มีแต่จะทำให้ตรึกไปต่างๆคือทำให้เกิดความวิตกเจริญทำให้ความดำริเจริญทำให้การมาวิตกเจริญทำให้พยาบาทวิตกเจริญทำให้วิหิงสาวิตกเจริญทำให้ความวิตกถึงญาติเจริญทำให้ความวิตกถึงชนบทเจริญทำให้ความวิตกถึงความไม่ตายเจริญทำให้ความวิตกที่ประกอบด้วยความเอนดูเจริญ ทำให้ความวิตกที่ประกอบด้วยลาบสักการะและความสรรเสริญเจริญทำให้ความวิตกที่ประกอบด้วยความปรารถนาไม่ใหใครดูหมิ่นเจริญรวมความว่าคําพยากรณ์ทั้งหมดนั้นมีแต่จะทําให้ตรึกไปต่างๆคําว่าข้าพระองค์จึงไม่ยินดีในคําพยากรณ์นั้นอธิบายว่าข้าพระองค์จึงไม่ยินดีคือไม่พอใจไม่ยอมรับไม่อยากได้ในคําพยากรณ์นั้น รวมความว่าข้าพระองค์จึงไม่ยินดีในคำพยากรณ์นั้นด้วยเหตุนั้นพรามนั้นจึงกราบทูลว่าท่านเหมมกะทูลถามดังนี้ก่อนแต่ศาสนาของพระโคดมอาจารย์เจ้ารธิเหล่าใดเคยพยากรณ์แก่ข้าพระองค์ว่าเหตุนี้ได้เป็นมาแล้วอย่างนี้จัากเป็นอย่างนี้คำพยากรณ์ทั้งหมดนั้นเป็นคำที่เชื่อสืบต่อกันมา คำพยากรณ์ทั้งหมดนั้นมีแต่จะทำให้ตรึกไปต่างๆข้าพระองค์จึงไม่ยินดีในคำพยากรณ์นั้นท่านเหเมะกะทูลถามว่าข้าแต่พระมุนีบุคคลรู้ชัดทำใดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่ พึงข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิสัทธกาในโลกได้ขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมนั้นที่เป็นเครื่องกําจัดตันหาแก่ข้าพระองค์เถิดคําว่าพระองค์ในคําว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมนั้นแก่ข้าพระองค์เป็นคําที่เหมมะกระมานพเรียพระผู้มีพระภาคคําว่าธรรมในคําว่าโปรดตรัสบอกธรรมอธิบายว่าขอพระองค์โปรดตรัส คือโปรดบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศพรหมจันทร์ที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนสติปฐานสสัมมาปทานสอิทิบาส4อินรีห้าภะละห้าโพชงเจ็ดอริยมรรมีองค์8นิพพาน และปฏิปทาเครื่องดําเนินไปสู่นิพพานรวมความว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมนั้นแก่ข้าพระองค์คําว่าข้าแต่พระมุนีธรรมที่เป็นเครื่องกําจัดตันหาอธิบายว่าคําว่าตันหาได้แก่รูปตันหาสัทธตันหาคันทตันหารสตันหาโพธะพระตันหาธรรมะตันหาธรรมที่เป็นเครื่องกําจัดตันหา คือทำเป็นเครื่องละตันหาเข้าไปสงบตันหาสลัดทิ้งตันหาระ ง, งับตันหาคืออมตะนิพพานคำว่าข้าแต่พระมุนีอธิบายว่าญาณท่านเรียกว่าโมนะพระองค์ก้าวล่วงกิเลสเครื่องคล้องและตันหาดุจตาขายได้แล้วชื่อว่ามุนีรวมความว่าข้าแต่พระมุนีทำที่เป็นเครื่องกาจัดตันหา คำว่าบุคคลรู้ชัท Jean <illions. S 1> ทดทำใดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่อธิบายว่าบุคคลรู้ชัดแล้วคคอเทียบเคียงพิจารณาทำให้กระจางทำให้แจ่มแจ้งแล้วได้แก่บุคคลรู้ชัดแล้วคคอเทียบเคียงพิจารณาทำให้กระจางทำให้แจ่มแจ้งแล้วว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตา บุคคลรู้ชัดแล้วเคยเที่ยงเคียงพิจารณาทําให้กระจ่างทําให้แจ่มแจ้งแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาคําว่ามีสติได้แก่มีสติด้วยเหตุสี่อย่างคือหนึ่งชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณากายในกาย บุคคลนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่ามีสติคำว่าเที่ยวไปอยู่ได้แก่เที่ยวไปอยู่คืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดําเนินไปยังชีวิตให้ดําเนินไปรวมความว่าบุคคลรู้ชัดทดําใดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่คำว่าพึงข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิสัทธิกาในโลกได้อธิบายว่า ตัณหาชื่อว่าวิจัติกาคือความกำหนับความกำหนัดนักอภิชาอากุศลมูลคโลภะคำว่าวิจัติกาอธิบายว่าตัณหาชื่อว่าวิจัติกาเพราะมีความหมายว่าอย่างไรส่้านไปขยายไปฉะนั้นจึงชื่อว่าวิจัติกาคำว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกมนุษยโลก เทวโลกขันธโลกธาตุโลกอายตนะโลกคำว่าพึงข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิศัิกาในโลกได้อธิบายว่าผู้มีสติพึงข้ามคือข้ามไปข้ามพ้นก้าวล่วงล่วงเลยตันหานี้ที่ชื่อว่าวิสัิกาในโลกนั่นเองรวมความว่าพึงข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิสัิกาในโลกได้ด้วยเหตุนั้น พรามนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระมุนีบุคคลรู้ชัดธทรรมใดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่พึงข้ามตัญหาที่ชื่อว่าวิสัธิการในโลกได้ขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมนั้นที่เป็นเครื่องกำจัดตัญหาแก่ข้าพระองค์เถิด